อนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกทําให้มีสีขาวให้มีสีดําให้มีสีอย่างไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นฟันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียง สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแล้วทิ้งไม้สะดึงไว้ที่นั้นแล้วจากไปหนูบ้างปลวกบ้างกัดกินภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 หรือที่ไม้ทําเป็นรูปงาช้างสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรุงราชครืตามพระอัทยาใสาแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายใช้บาทใส่เข็มบ้างมีดบ้างเครื่องยาบ้าง เดินทางไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตถุงเก็บเครื่องยาสายโยกไม่มีภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทร า, รรารบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิษุททั้งหลายเราอนุญาตสายโยกเป็นได้ถักสมัยนั้นภิษุรูปหนึ่งผูกรองเท้าไว้กับประคตเอวเข้าไปบินทบาทในบ้านอุบาสกคนหนึ่งไหว้ภิษุนั้นสีสะกระทบรองเท้าภิษุนั้นเก้อเขิน